มากี่วันนะเนี่ยใใอืมหลายวันอาทิตย์กว่าอาทิตย์หนึ่งแต่ตามจริงน่าจะอยู่นานกว่านั้นนะเดี๋ยวก็จะไล้ออกากงานเอ้าเ อ, าเอาไม่ใช่ชมรมไม่ใช่ชมรมพุทธก่อนที่จะมาก็ตกลงกันว่าไม่ใช่เลยอันนี้คือวิ ช, ชานไม่ใช่อย่างงั้นหอเอไม่บอกว่ามาอบรมศึกษาถึงว่าเป็นอบรมเออนั่นน่ะสิอบรมคอร์สเนี่ยน่าจะเป็นเดือนหนึ่งอย่างงั้น ไม่แล้วขออนุญาตไปต่างประเทศง่ายใช่ไหม<ช>ไปเป็นเดือนใช่ไหม<ช>พออนุญาตมาปฏิบัติธรรมในเพียงเจ็ดวันโอ้ทาไมน่านักทำไมสิเหยุดหยุ ด, ย ด, ยดมาสามจีนแล้วพักร้อนาออมาเนี่ยหยุอาอ๋ตามจริงการปฏิบัติธรรมการพักผ่อนการอบรมทางจิตใจมันน่าจะเป็นเป็นข้อหนึ่งนะแมันน่าจะเป็น คะแนงหนึ่งในการทํางานคือพักผ่อนทางด้านจิตใจว่า ง, งันเถอะนะทางที่ถูกนะอันนี้หลวงพ่อพูดหลวงพ่อพูดเข้าข้างตัวเองก็ไม่รู้นะว่างั้นเถอะเออหลวงพ่อเคยพูดเสมอเนี่ยบอกว่าการเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยถ้าว่าทางที่ถูกให้แบ่งเป็นเป็นล็อกหรือแบ่งเป็นโซนหรือแบ่งเป็นอในช่วงชีวิตของตัวเอง ออันนี้ก็ ก, การทํางานกับลักษณะมันก็ช่วงชีวิตของตัวเองเหมือนกันเห็นไหมการทํางานของเราวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงควรจะแบ่งเป็นสามสามแปดยี 3, 8, 24, ่สิบสี่เหมนกันเถอะนะแปดชั่วโมงหนึ่งให้ส่ะแสวงหาทรัพย์แปดชั่วโมงหนึ่งให้ดูแลสุขภาพกายแปดชมโมงหนึ่งให้ดูแลสุขภาพจิตอืม 3824ใช่ไหม8ชั่วโมงแรกให้สอบแสวงหาทรัพย์เนี่ยก็คือพวกเราทํามาหาเลี้ยงชีพทํางานโรงพยาบาลทํางานอะไรต่างๆเนี่ยทำไร่ทํานาทํารัว้วทําสวนอะไราต่ามอันนั้นคือการสอบแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพหาปัจจัย4ก็มีความจําเป็นถ้าคนเราไม่สอบแสวงหาปัจจัย4ชีวิตนั่งก็อยู่ไม่ได้อย่างบัวควายอย่างเนี้เหมือนกัน มันตื่นม า, าจจ ม, น ม, มันต้นนตองส่แสวงหาปัจจัยสี่ของมันไม่รู้สัตว์ทุกประเภทมันตื่นขึ้นมามันก็ต้องส่องแสวงหาปัจจัยสีอืมแต่เราไม่ได้ตั้งชื่อปัจจัยสีนะ่นะเราบอกว่ามันหากินเออแต่ตามมันจินม้มกับเพื่อเลี้ยงาธาตุขันเข้ามันนั่นเองแต่พออยู่รอดมนุษย์ของเราก็เหมือนกันเราควรส่องแสวงหาปัจจัยสี่แต่มนุษย์ของเราเนี่มันเหนือกว่าสัตว์เมื่อส่องแสวงหาปัจจัยสี่แล้วพอเพียงพอ พอเป็นไปได้แล้วก็ควรจะดูแลสุขภาพกายสุขภาพกายของเราเป็นยังไงออกกำลังกายพักพ่อนนอนให้เพียงพอนอนให้เป็นเว ล, เวลาอ่าล้วก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็ตรวจตรานดูสุขภาพกายวะในร่างกายของเรามีอะไรบ้างที่ผิดปกติควรจะไปหาแพทย์ามหมออันนี้ก็พวกเราก็เป็นหมออยู่แล้วไม่ต้องพูดเหมือนกันเถะเออ อไม่พูดมากเหมืนกันเถ อ, อะอการดูแลสุขภาพกายแต่การดูแลสุขภาพจิตเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญส่วนหนึ่งจะปล่อยปลดละเลยไม่ได้การดูแลสุขภาพกายถ้าว่าเราหาเงินทรัพย์สมบัติได้มากนะแต่ถ้าเป็นอมาพาสไปจะมีความสุขไหมอขอถามเหมือนกันงหมนกนเถอะเป็นอมเพลิศอมาพาสไปแล้วนะ่ะนอนอยู่กับที่นะ่ะจะมีความสุขไหมทั้งที่มีทรัพย์สมบัติทัางเยอะแยะจะตอบเลยเลยไม่มีความสุข ถึงจะมีทรัพย์มากก็าหาความสุขไม่ได้ประสุขภาพกายไม่ดีเนีแต่ถ้าถาถามเนี่ว่าเอา้าถ้าร่ารวยแล้วอมีสุขภาพกายดีแต่มีสุขภาพจิตแย่ถ้าเป็นบ้านนะาพูดง่ายๆนะเข้าโรงพยาบาลศีรษะหญิงมหาโพธิ์แต่ชีวิราชของเราคงจะมีเหมือนกันใช่ไหมสาขานี้นะเอแล้วจะมีความสุขไหมเนี่ยก็ถามอีกใช่ไหมคงจะตอบว่าถ้าคาว่าฟื้นขึ้นมาโอไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหม สุขภาพจิตแย่เนีเพราะฉะนั้นทั้งสามอย่างเนี่ยเรามาคิดพิจารณาดูแล้วมันสมควรจะสมดุลกันทั้งสามอย่างปัจจัยสี่สุขภาพกายสุขภาพจิตในการสอแสวงหาสุขภาพจิตนี่จะมีอะไรยิ่งกว่าพุทธศาสนาเนี่ยยังมองไม่เห็นพุทธศาสนาเนี่ยท่านดูแลสุขภาพจิตพวกเราคิดดูกันแล้วกันถ้าคนมีสติเต็มที่นะคนมีสติ ไม่เผอไม่เลยไม่ปั่มปัมเปลอเนี่ยจะเป็นบ้าได้ไหมเอีเป็นบ้าไม่ได้เพราะว่าสติสมบูรณ์อันนี้พุทธศาสนาท่านส อ, สอในะให้มีสตินะอ่ยให้ภาวนาให้มีสติอยู่กับตัวเองคนที่มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกับคนเฝ้าบ้านอยู่ตลอดไม่เออเหยลอยลมไม่เหมือนบ้าเชือกขาดนะจะเป็นบ้าได้อย่างไรเป็นบ้าไม่ได้เอีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบ้านเนคือคนขาดสติอืม ถ้าขาดสติจเยินเนี่ยเป็นบ้าอย่างอาจารย์พูดวันวันมันพูดแล้วพูดอีกเหมือนกั น, นในช่วงนี้มันมีเรื่องออกมาสัมผัสก็เลยพูดบอกว่าไห้คาว่าบ้านมันมีหลายอย่างเลยวอาจนนักจิตแพทย์เขาคํานวณไม่ได้ว่าอันใดนคือสุขภาพจิตระดับไหนมาตรฐานอืมันมันจะ ม, มาตรฐานได้ยังไงจะไม่สุขภาพจิตมันเอาอะไรมาวัดเป็นมาตรฐานได้ใช่ไหมคนในโลกเนี่นอกจากพาาระรหันแล้ว เคือมีพระอหันต์กัพวกเดียวทิพมีสติสมบูรณ์เต็มที่ทําอะไรถูกต้องทําอะไรไม่ไม่คําว่าผิดพลาดไม่มีเพราะท่านมีสติสมบูรณ์ท่านนอกจากนั้นลงมาแล้วไม่มากก็ต้องน้อยอืออย่างพระอนาคามีงนี่นท่านก็ยังมีอยู่คือท่านยังมีราคะท่านหมดไปแล้วเอออโทสะท่านหมดไปแล้วยังเหลืออวิชชาบางตัวอยู่ในหัวใจของท่านลึก เพราะนั้นท่านยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้จะต้องไปอยู่ในชั้นสุทถวาตห้าชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งจากนั้นท่านบำเพ็ญอย่นั่นอีกท่านจึงเข้าสู่นิพพานท่านออกจากนั้นลงมาแล้วอจากพระอรหันต์ลงมาแล้วไม่บ้ามากกว่าต้องตองบ่าน้อยเหมือนนั้นเถอะใครจะว่าขนาดไหนก็นเถอคือยังมีบ้าอยู่ในตัวของคนคนนั้นแหละเพราะนั้นจะเอามาตรฐานมาวัดว่าขนาดนี่แหละคนนี้แหล ะ, ละไม่เป็นบ้าเออ อย่างนั้นไม่มีเอีว่าโลกเขาจะเอามาเป็นมาตรฐานของหมอว่าคนระดับนี้แหละเป็นคนที่สมบูรณ์เอไม่เป็นบ้ายังหายังหาเกรดไม่ได้ยังหาระดับไม่ได้เพราะงั้นเด็กบางทีมันคือขึ้นๆของหลงมันบ้าความโกรธได้ใช่ไหมบางทีวัดวัดมันก็ดีอยู่ถูกต้องแต่บางทีมันโมโหขึ้นมามันความความบ้ามันเข้ามาแลเนเออสิ่งที่ไม่ควรทํามันมีแหละมันเป็นบ้าเข้ามาแหละในช่วงนั้นเพราะมันมีกิเลส มันมีอยู่ในใจของเรามันฟูดขึ้นฟูดลงฟูดขึ้นฟูดลงอยู่อย่างนั้นคือระดับระระระดับจิตนั่นแหละเนี่ยนหะอาจารย์บอกว่าไอ้คนที่บ้าใหญ่บ้านใหญ่คือคนบ้านบ้านที่เราเห็นอยู่ข้างถนนนั่นแหละผมยาวๆไม่อาบน้ําใส่เสื้อผ้าพลุงพลังที่เรานั่งรถไปเคยเห็น่ะเอ่ยไม่ดูแลเสื้อผ้าเห็นอะไรข้างถนนก็หยิบมาอยู่มากินแล้วก็ใส่ถุงอะไรเยอะแยะ อันนั้นเรียกว่าบ้าใหญ่ไอ้คนกินเหล้าเมายากินแล้วเมาโต๊ะโต๊เตะเตเดินไปเสียซ้ายเสียขวาอันนั้นเป็นบ้าน้อยเออคือบ้าชั่วข่าวอือบ้าชอกชั่วข่าวก็เรียกว่าบ้าน้อยเอออันนั้นบ้าใหญ่มาบ้าไม่รู้จักหายอเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่าไปให้เกียรติว่าเอ๊ะอันนี้คนเมาอย่าไปหาคิดบอกให้ไอันนี้เป็นบ้าบ้าน้อยอือบ้าชั่วข่าวเดี๋ยวมันจะหายเออหายได้เพราะงั้นเถอะมันช็อกชั่วข่าว คือคนบ้าคือคนขาดสติคนไม่มีสติจะว่าคนดีได้ยังไงคือคนบ้าเั้ือนกันเถอถ้ากินมากๆก็เป็นบ้ามากคนเราไปออืสามารถที่จะทําความชั่วได้หลายๆอยา่างถ้ากินน้อยก็พอถึงถึงสงิ่งหนึ่งเหมืนกนเถอะพอให้พูดผิดผิดผิ ด, ผดถูกถูกไปงั้นเหรองั้นเถอะนี่แหละตอนนี้มาย้อนถึงการปฏิบัติธรรมอมอย่างครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยนะออื เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านดูแลสุขภาพกิตท่านดีเนีครูบาอาจารย์ของเราเนี่ย8 9องค์เนี่ยสุขภาพจิตของท่านดีท่านไม่หวั่นไหวถามเลยสิหลวงปู่กลัวตายไหมไอ้กลัวทําไมข้าคิดดีแล้วถามองคอื่นท่านตายไปแล้วท่านอาจจะไม่นั่นก็ได้ไปถามหลวงตาก็ได้นะอายุถึงเกือบจะ90้าสอแล้วเดี๋ยวนี้ยังพูดอะไรยังเข้มแข็งเข้มข้นขนาดแบบงั้นเถอะอมาเนอะใช้ค้าว่าท่านพี่นาดูแล้ว ท่านสุขภาพจิต ท, ท่านดีแล้วเพราะนั้นท่านไม่กลัวอะไรท่านเพียรณารอบแล้วเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของครูบาอาจารย์เนี่ยเลิศท่านรักษาสุขภาพจิตดีแล้วเปรียบเทียบกับคนแก่ทั่วไปอคนแก่ที่อยู่ในบ้านถึงจะร่ำรวยเอ ม, มีความสุขขนาดไหนก็เถอะยิ่งกลัวตายเออร่ารวยเท่าไหร่ยิ่งกลัวตา ย, ย, ถ, า ย, ตายถ้าว่าไม่มีศีลธรรมในใจนะอ ม, มีความวันไหวในใจิตในใจลึกๆอคิดดูแล้วก็เออ เราจะอยู่ไปยังไงเราจุอยู่ยังไงเอเมื่อตายไปแล้วเราจะทํำยังไงเอราจะไปที่ไหนเอแล้วก็ตายแล้วสูญหรือเปล่าแต่ก่อนคิดว่าตายแล้วศูนย์เอ๊ะมันจะศูนยญจริงหรือเปล่าถ้าข้าเกิดเนี่ยข้าจะเกิดยังไงข้าจะไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้มีความมิตกกังวลอยู่ในจิตใจของปุุ้ชนอยู่ตลอดเวลาคือความไม่แน่นอนวันไว้กลวยแ ก, กว้งอยู่ตลอดอืมเทนนี่ก็ความวันไว้กลวยแกว้งนั่นแหละคือความทุกข์ อแต่นี้ก็หาที่พึ่งทางนอกไงเอเห็นลูกเห็นล้านไม่มาเกี่ยวข้องเขาติดธุระบังวันสองสามวันสี่ห้าหกวันที่เขาไม่มาเขาที่เคยมาวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เขาหยุดงานก็ไม่มาอไม่มาก็คิดถึงเขาแล้วนันอลูกล้านมันทําไมไม่มาอทั้งถึงกําหนดแล้วเพียงเท่านี้มันก็มาไม่ได้เสียสาระไม่ได้อมันไม่คิดถึงพ่อถึงแม่ถึงปู่ถึงย่าถึงตาถึงยายเอาเลยเออมจะทํายังไง ออืนู่นล่ะข้าตายเพื น, นั้นน่ะลูกหลานหมดนี้มันจะมาแย่งเอาทรัพย์สมบัติของเราเอให้ ข, ข้าวีตกกังวลอยู่อย่างนั้นเลอไม่มีที่พึ่งเนี่ยมันก็ต้องพึ่งหาพึ่งลูกพึ่งหลานเพราะเหตุไรเพราะกําลังใจของเราเนี่ยมันวันไหวอมันหมดกําลังใจเพราะนั้นหลักธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยคือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งแล้วจากนั้นก็พิจารณาว่าร่างกายสังขารของเราทุกๆคนเนี่ย เกิดมาแล้วเราจะอยู่ได้ไปชั่วนานขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งต้องแตกต้องทำลายต้องสลายในที่สุดแต่สิ่งที่ให้สลายแต่ร่างกายที่มันสลายนั้นคือร่างกายแต่ส่วนจิตใจตัวนมามธรรมนั้นมันไม่สลายมันยังคงทนอยู่มันจะต้องไปเกิดปฏิสนธิในภพชาติอื่นต่อไปถูดแต่แต่ในบุญกุศลหรือบาปอกุศลของแต่ละท่านแต่ละคนที่สังสมเอาไว้ กันอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าการเกิดของมนุษย์การเกิดของมนุษย์เกิดมาด้วยวิธีอย่างไรเนี่ยท่านเขาพูดไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ว่าหลักวิชาแพทย์วิชาหมอเนี่ยท่านจะคิดยังไงก็ไม่รู้แต่อ่านดูในพระไตรปิฎกท่านบอกการเกิดของมนุษย์เอที่จะขอปฏิสนธิครั้งแรกท่านบอกว่าเหมือนกัะ น, น้ํามันงานอยู่ในเอม ให้เขาอยู่ในท้องของแม่เหมือนเหมือนเหมือนน้ำมันงาหยดหนึ่งต่อมาน้ํามันงาหยดนั้นจะเป็นสีสีแดงคล้าค้อสีสีน้ําล้างเนื้อเข้าใจไอ่ามันมันจะขุ่นขึ้นมาเป็นน้ำเหมือนน้าล้างเนื้อเพราะอีกเจดวันต่อมาน้ําล้างเนื้อตอนนั้นมันจะเข้มข้นขึ้นเป็นสีแดงต่อมามันก็เป็นก้อนพอเป็นก้อนต่อมาแล้วแตกเป็นปัญจสาขาคือขาสองแขนสอง ศีรษะหนึ่งเป็นสุ่มขึ้นมาอพอจากนั้นโตขึ้นมาแล้วมันจะมีใครข้ามาวิญญาณเพิ่มไปกเกาะอะไรทเออใจของคนเราเริ่มไปเกาะไปเกาะไปยึดลเลยท่านคือมันใจของเราเนีมันคนของเราเนี่ยสุดแท้แต่วาฒนาของใครของเราเป็นนามมธรรมเข้าไปยึดต่ไอไหนก็เข้าไปเกาะเอเข้าไปเกาะจุดนั้นเออย่างพวกเราเคยเห็นสมัยเป็นเด็กหลวงพ่อก็เคยเห็นนะไม้ขุนทาไม้จิ้มฟันนี่เนะนี่ยที่เป็นไม้ครึ่งเถาครึ่ง ครึ่งต้นนี่นะแต่เป็นใบของมันคือเหมือนกับมแมลงม้าแล้วแมลงตามข้าวนะ่ะเอ่มันอยู่นะตั้งที่หัวควันของมันเนี่ยยังติดต้นไม้อยู่นะแต่ว่าดินตีนของมันมันเออมันมันดินได้เออใบไม้เกิดเป็นเป็นมแมลงเอ่อถ้าว่าถามชาวบ้านนอกเนี่ยเขาใคร่ใคร่ก็จะเห็นแต่ไม่ไม่เห็นบ่อยนะจะเห็นมันแปลกเหมือนกันอันนี้จะว่าอย่างไงถ้าถ้าวิญญาณเข้าไปเกาะเขาไปยึด มันทำไมไม่ยึดทุกตัวแต่มันยึดมันถูกล็อกเอามันแล้วว่าพ่อการเกิดกําเนิดของสัตว์ในโลกในพระพุทธเจา้าทว่าชลาพุชะเกิดในคันอันทชะเกิดในไข่สังเสริชะเกิดในเท่าไขโอปะปะเกิดผุดขึ้นเอออันนี้เกิดผุดขึ้นเนี่ยคงจะมีส่วนนี้เหมือนกันคเข้ายว่าวิญญาณที่เขาไปเกาะเอะเอเกาะใบไม้แล้วมันก็คงจะเกิดเป็นมแมลงขึ้นมา เนี่ยต่อมามันก็หล่นจากควันลงมามันก็เป็นแหลงแต่มันเป็นใบไม้นะมันก็แปลกเออเห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่แปลกทีเดียวอย่างนั้นแต่มันก็เป็นไปได้เพราะโลกคนนี้มันมีหลายๆอย่างที่เราไม่เห็นใช่ไหมเนีบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่คาดไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเห็นแต่มันก็เป็นไปได้อย่างนั้นแต่นี้หลวงพ่อเคยเห็นมแมลงเกิดในใบไม้ขุนทาเนี่ยแมลงหน้ามแมลงตำข้าวนะอันนี้เรามาลุกมาพูดถึงวิญญาณที่มาเกี่ยวกับปฏิสนธิ พอเข้ามายึดถือในรูปร่างแล้วอต่อไปก็ที่แรกก็เข้าๆออกเข้ายึดแตอกออกเข้ายึดเต่อมาพอเป็นตัวร่างใหญ่ขึ้นม า, เ ข, าเข้ามายึดเกาะติดเดี๋ยวจนถึงเป็นรูปเป็นร่างเป็นคู่เป็นคนขึ้นมาจากนั้นก็คลอดออกมาตามครบกําหนดเป็นคู่เป็นคนจากนั้นก็เป็นเด็กนงได้รับการดูแลต่อมีรับการเรียมสอนดูแลรักษา เป็นผู้ใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบมีครัวเป็นผู้เฒ่าผู้แกอย่างพวกเราเราท่านเดียวเนี่ยอืมแต่ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเมื่ออยู่อย่างนี้ก็เถอะได้รับการศึกษาดีอย่างนี้ก็เถอะแต่พอตายไปทีานเนี่ยท่านเปรียบเทียบว่าร่างกายเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถนามธรรมน่ะเหมือนกับคนขับรถกายน่ะเหมือนกับรถ แต่นักวิชาแพทย์วิชาหมอค้นคว้ามามาถึงมาถึงได้ก็คือสมองคือสมองของมนุษย์แต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยเลยสมองไปอีกคือนํม า, ามธรรมคือใจสมองเนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อมันอยู่ในสมองของเราแต่ว่าใจนั้นนํม า, ามธรรมนะั้นเหมือนกับคนนํม า, ามธรรมเนี่ยเหมือนกับคนไปกดคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งคอมพิวเตอร์มันก็เลยทํางาน เออถ้าว่าใจไม่ไปกดคอมพิวเตอร์นั้นก็ไม่เป็นไรแต่ใจออกจากร่างไปแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งร่างกายตายไปแล้วแต่คอมพิวเตอร์มันยังดีอยู่เออย่างคอมพิวเตอร์มันยังมันยังนี่แต่ว่าใจมันมันมันออกไปจากร่างแล้วคอมพิวเตอร์มันก็หมดสิทธิเหมือนกันอแต่ร่างกายของเรายังไม่ตายอแต่คอมพิวเตอร์มันเสียเป็นบางส่วนที่ว่าอะไรไปกดสมองอย่างนีอมันใจมันก็ทํางานอะไรอีกก็ไม่ได้อีกอเพราะมันเกี่ยวเนื่องกัน นามมาธรรมแต่ในในหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องนามมาธรรมนียมากกว่ารู ป, ปรธรรมรู ป, ปรธรรมที่เป็นมานี่รูปร่างกลางตัวเป็นมาอย่างไรมันก็เป็นมาแล้วถึงแต่จะสัลยกรรมตกแต่งไปบ้างมันก็จะให้มันเลิศเลอเหมือนกับที่มันจาเป็นธรรมชาติมานั้นก็คงจะไม่ถึงร้อยทั้งร้อยไปเป็นไปได้แต่ว่าแต่เรื่องนา ม, มาธรรมเนี่ยตกแต่งได้ให้โง่ได้ให้ให้ฉลาดได้ถ้าว่าพวกเรา เราเรียนศึกษาหรือสอะแสวงหาความรู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติสติปัญญาของเราก็สามารถที่จะฟื้นฟูปรับปรุงขึ้นได้ให้เราคิดว่าสมมติว่ามนุษย์เกิดมาไม่ใหม่เนี่ยเรายัดเข้าไปในห้องนึกอยัดไปในตู้กระจกซะเอมันจะกินอะไรก็ให้มันกินมันจะทำอะไรก็ออกกำลังกายอย่างนั้นนะไม่ต้องพูดหรือไม่ต้องสอนมันนไม่ต้องพูดเป็นภาษาคนแต่มันโตขึ้นมาแล้ว เอาออกมาข้างนอกเนี่ยพวกเรามั่นใจมากว่ามันจะฉลาดมันจะรู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไหมมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยก็เหมือนกันนั่นแหละการปฏิบัติการเ ร, เรียนการศึกษาการศึกษาทางนอกทั้งศึกษ า, กษาทางในเและศึกษาทางภาคปฏิบัติ ด, ด้วยนะอย่างพวกเรามาวันนี้ก็มาศึกษาเพื่อศึกษาเนี่ยนะ่ะ เ, เพื่อส่อแสวงหาความรู้เอเพื่อหาหลักจิตหลักใจ ใส่ตนเองในเมื่อเท่าแกชลามาก็จะให้เป็นขนว้าเว่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่มี่่่าา ม, จจม่่่่่่่่่่่่่่่ใ่จ่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่อม่่นน่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่น่่นะอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่พ่พ่่่่่่่ารณารอบแล้วว่่ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องไปถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยอืมแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดเราไม่พยยิจารณาไม่ก่อนเนี่ยจะหวนไว้ไม่มากก็ต้องน้อยแน่นอนอ่างนั้นเถอะถ้าผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติทำต้องคิดว่าทําไมมาเจอข่าทําไมมาโดนกับข้าทําไมไม่โดนกับคนอื่นบ้างข่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบข่าไม่เคยเบียดเบียนใครทาไมสิ่งเหล่านี้ถึงมาเจอข่าแต่ตามไม่จริงมันเจอทุกคนเออไม่มีใครที่จะยิ่งย่อนกว่ากัน ตายแล้วหมดลมหายใจเข้าออกเหมือนกันทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครก่อนใครหลังเท่านั้นเองแต่ว่าเรื่องการใครก่อนใครหลังนั้นในหลักของพุทธศาสนาส่วนลึกแล้วท่านก็บอกว่ากลัมคือการกระทําในอดีตแต่ว่าท่านผู้ใดยินดีในการฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ถ้าว่าผู้ใดฆ่าสัตว์เป็นอาชีพเกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะมีชีวิตสั้น ตายเร็วแต่ถ้าว่าผู้ใดชอบเบียดเบียนสัตว์ชอบรังแกสัตว์ก็ไม่ตายเร็วแต่ว่าร่างกายทุกผลภาพเจ็บนั่นปวดนี้ เ, นเข้าโรงพยาบาลไม่รู้จะบอกอเยอะกวก็ปวดเยอะกว่าวปว่ย ว, ปวเยววเยอะกว่าเจ็บเยอะกว่าไข้อันนั้นถ้ว่าวิบากกรรมกรรมเก่าให้ผลคือเป็นผู้เคยเบียดเบียนสัตว์มันในอดีตเน่ยเพราะนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปโยนให้แก่ใครไม่ได้ เราเป็นผู้ทําเองเราก็ต้องรับเองในหลักของพุทธศาสนาท่านพูดอย่างนั้นคือกรรมคือกรรมคือการกระทํามันเกี่ยวเนื่องกันอ่า ง, งั้นเอ่อะเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆท่านมีโอกาสมาเจ็วันมาปฏิบัติธรรมออาจารย์เองก็เห็นแล้วก็อุ่นน้ำฝาครั้งขออนุโมทนาจากพวกเราทุกๆท่านนะแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจพาวนาให้จริงๆจังจริง จ, ง จ, งจังนะมาพาวนาจะพาวน์เข้าใจไหม อย่าพาวนพอมาถึงผลัดกับนไปหาบ้านนะคิดถึงบ้านยังง้นยังยงี้ยังงี้ย่างงั้นทั้งที่คิดแล้วยังค่อยมาใช่ไหมตัดสินใจแล้วจึงค่อยมาแต่มาแล้วทําไมเราจึงกลับอืมเออกลับไปกลับไปภาวนไปอีกเหมือนกันเถอะไม่ใช่ภาวนานะภาวนาไปว่าแยกแยะตัดกิเลสออกจากจิตจากใจแต่พอมาถึงนะมันวนกลับไปถึงบ้านถึงเดือนห่วงนั่นห่วงนี้ แต่ก่อนเมื่ออยู่บ้านอยู่อยู่ช่องกรับมันก็ไม่ห่วงเหมือนมาอยู่วัดนะเอแต่พอมาอยู่วัดกิเลสมันดึงมาทีโอ้โหไปยากเหลือเกินเออยิ่งกว่ากาวตาช้างอีกว่างั้นเถอะเออเออมันหวั่นไหวไปหาถึงบ้านถึงเรือนทําไมเหมือนกับบ้านเรือนเหมือนกับสวรรค์อย่างนั้นแหละว่างั้นเถอะกิเลสมันดึงไปนะแต่ก่อนก็เบื่อมันว่างั้นเถอะแต่พอเอาเข้าจริงๆนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เพราะฉะนั้นจะให้มันเป็นอย่างนั้นในเจ็ดวันเนี่ยเราตัดชั่วนะ นะเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมนะเจดวันนี้เราจะปฏิบัติธรรมเพราะเราโลกมาอยู่ทางโลกมาอยู่มานานแล้วอายุของเราถึงขนาดนี้แล้วเป็นยังไงอะไรเราขอรู้แล้วแต่ในเจวันนี้เราจะปฏิบัติให้มากที่สุดตามแนวแถวครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําที่ท่านสั่งสอนเราจะไม่คิดกลับไปที่อื่นจนกว่าจะไปถึงบ้านาเราจะคิดถึงเรื่องเอาบ้านมาคิด แต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ในวัดเราจะคิดแต่อยู่ในวัดเท่านั้นเราจะภาวนาอย่างเดียวแต่ทำยังไงจึงจะให้จิตใจของเราอยู่ในความสงบได้อันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนั่นน่ะ อ, อย่างหลวงตาที่ท่านมาที่นี่ท่านก็บอกนะวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวันที่สิบเก้าไม่ใช่อาทิตย์ที่แล้ววันที่สิบเก้าที่ผ่านมาหลวงตาท่านก็นั่งพอท่านมาถึงท่านก็ลุกขึ้นมา พอมาถึงท่านกพักผ่อนเหมือนัเถอะท่านมาส่งอาหารโรงพยาบาลตามปกติท่านจะมาส่งอาหารโรงพยาบาลทุกเดือนสุดแท้ถ้าท่านจะมาวันไหนในปลายปลายเดือนท่านก็มาละท่านจะมาส่งอาหารค่าอาหารให้โรงพยาบาล น, นายูงเนี่ยที่เป็นอาหารของโรงพยาบาลค่าหมอค่าพยาบาลและก็าอาหารชาวบ้านคือชาวบ้านเข้ามานอนเจ็บไข้เจ็ป่วยพระโรงพยาบาลก็ต้องเลี้ยงเขาเพราะมันยากจนเนี่ยกว่าเขาจะ กลับไปบ้านเขากว่าเขาจะเอาเข้าวเหนียวมาวมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียของเขาเลี้ยงผัวของเขาเนี่ยมันไม่ไหวดวงตาหรือทางนั้นนี่เราดวงตาจะเลี้ยงกันแล้วกันให้ทําอาหารเลี้ยงเขานะอย่างคนป่วยนั่นเลยให้เพียงพอไหมเขาว่าพอทีนี้ตุเดือนดวงตาก็จะมามาแล้กวก็ผขกข้าวสารอาหารแห้งน้ำโป่งน้ำตาลน้ำ ป, นำปูน้ำปลาน้ำมันผื่ยนักก็ให้อ่างนั้นก็แบ่งแบ่งโรงที่นี้ด้วยนะเออเราก็เป็นผลพลอยได้จากโรงพยาบาลเหมือนกันเหมือนกันเออ บางทีไก่ย่างอำเภอบ้านผือท่านก็มาเป็นกระตะักเหมือนกันน้ําแบงคนุ่นกรแบงแต่นี้หลวงพ่อก็เลยมาบอกให้พระให้โยมในวันเอ้ยหลวงตาท่านเอาอาหารการฉันมาให้นะอไก่ย่งไก่ไกย่างเห็นไหมถึงเยอะแยะไปทั้ง ก, กล้วยไข่กล้วยอะไรทั้งตานี่แปลก้ะไปที่ไหนท่านจะท่องไอ้พวกเนี่ยกล้กวยไข่บ้างอน้ําตาลบ้างอพวกนี้แหละพวกของอยู่ของฉันนะไปฝากลูกจิตหาจะยากไหอ แต่หลวงตาท่านดูๆอย่างนั้นเนี่ะแต่ว่าไปหาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยอย่างมาอย่างวัดเราเนี่ยไก่ย่างบ้านพื้นทั้ง 4, 5, 4, 5, สี่ห้าสี่ห้าสิบปิ้งมนะเออเอามาเอามาฝากะมาลงในโครัวแต่สง่งใช้โรงพยาบาลด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยหลวงตาท่านเอามาเนี่ยเอาของมาฝากเราเนี่ยท่านว่าพวกเราเป็นนักรบแนวหน้าเอานักรบนักภาวนานักปฏิบัติท่านจะเอามาส่งเสริมให้พวกเรา ให้ได้อยู่ได้ชันแล้วก็เพื่อมีกำลังใจแล้วก็ให้ภาวนาแต่ว่าองค์ไหนใครก็ตามไมา่อยู่แนวหน้าเนี่ยขี้เกียจเออมาแล้วก็กินแล้วก็นอนกินแล้วนอนกินอาหารดีใช่ยิ่งนอนดีอันจ ะ, ะแสดงว่าหลวงตาเอาอาหารมาเลี้ยงหมูเออมาเลี้ยงหมูหมูอเลยหมูป่ามาเลี้ยงหมูป่าวัฒนาคำน้อยวะเพราะฉะนั้นพวกเราจะเป็นหมูป่าหรือเปล่าหรือจะเป็นนักรบะก็ต้องพิจารณาตัวเองนะ เอ ถ, ถ้าว่าพวกเราเป็นนักลบุดเพื่อได้ชันอะไรของหลงตาแล้วก็เอาลุกนั่งสู้ภาวานาเดินโกรมอย่าให้ขาดตกบกพ่องอันนั้นแหละท่ว่าท่านส่งเสริมนักลบต่อสู้กับขี้เล็เอาราคะโทสะโมหะในจิตในใจของพวกเราเนี่แหละให้พวกตั้งใจนะที่นี้ท่านมาวันนั้นเขาท่านก็มาตามปกติอย่างที่ว่านะทุกเดือนทุกเดือนนั่นแหละแต่ก่อ น, นนี้เดือนละสองครั้งนะแต่มาช่วงลหลังๆท่านก็แยกที่อื่นไปที่อื่นบางท่านมาเดือนละครั้ง พอท่านนอนพักผ่อนพวกพรากับลุ่มเข้ามาเออเป็นหมอเป็นหมอหมอหมอคันหมอคันส้มหมอขยําสพมมาฟังเทศหลวงตาใครอยากจะมาฟังธรรมใครอยากจะมากราบลงตาก็ให้วางเส้นเอาไว้ไม่ไม่ต้องไม่จําเป็นจะต้องมาโยเยแถวนี้หรอกอืแต่ให้วางวางสายเอาไว้ว่าใครอยู่จุดไหนยังไงให้สัญญาณกันเพราะที่วัดมันกว้างเลยใช่ไหมกว่าจะวิ่งกว่าจะวิ่งไปบอกกันทั้งหมดมันลิ้นห้อยแล้ว่างั้นเถอ <laughs> อย่างนี้ไปเนอะเกือบสามกิโลเป็นจากนี้ไปลังวัดน่ะเอมันไม่ใช่ใกล้เน๊ะขับไปแล้วจะเดินไปเไม่ไหวเราต้องนั่งรถไปอย่างนั้นมันพันกว่าไรเลยใช่ไหมันเต็มจนขอบกำแพงสุดท้ายน่ะเพราะนั้นต้องวางสายกันไว้ว่าเอเหมือนเหมือนกระหอยวิ่งชนะกระต่ายกี่นั่นแหลมหอยชนะกระต่ายอย่งไงไอ้กระต่ายอ่ะกระต่ายกระหอยกระต่ายมันก็คุยกระหอยบอกเอ้ยหมอไอมึงขากินชาอย่างนี้มึงจะสู้กูไหวแล้ว วิ่งแข่งกันในหอยเอ้ยถ้ากูจะช้าอย่างนี้ก็เถอะเออกูก็เร็วกว่ามึงก็แล้วกันน่ะเอ้ยมึงจะไปหาโพดหอยกันเออถ้าอย่างงั้นถ้าอย่างงั้นก็เลยอาแข่งกันดูก็ได้ก็เลยนัดวันเวลาแข่งกันใช่ไหมใจะนักกระต่ายกับหอยกันอยู่หอยมันก็วางแผนใช่ไหมตัวหนึ่งอยู่นี่มันก็บอกว่าทั้นกัวไปเด้อมันให้ให้บอกกับกระต่ายว่าให้มึงเรียกว่าโอ๊ยให้มึงเรียกตลอดไปหน้ากัน อหอยก็จะบอกกูกูแต่แค่หอยมันวางสายเอาไว้ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนี่เป็นระยะระยะระยะไปใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็ตรงตั้งต้นอยู่นี่หอยตัวนี้ก็บหอยตัวนี้อยู่เรียงกันกับกระต่ายหอยกระบอกอ้าววิ่งหอยพอวิ่งไปสักพักหนึ่งหอยกูก็วิ่งไปเอกหอยกูเพราะมันหลายตัวหอยหลายตัวใช่ไหมเออวางสายกันไว้ก็ตายวิ่งจนลิ้นห้อยยังสู้หอยไม่ได้แบบนั้นเถอะ เออพอไปถึงสุดท้ายกระต่ายยอมแพ้ว่างอันเถอะโอ้มันหอยมันวิ่งทํำไมวิ่งเร็วขนาดนี้ว่ากูก็วิ่งจนพอเรือเรือพลอยแฮแรงวันนั้นเถอะวิ่งอย่างสุดๆเลยยังสู้หอยไม่ได้นั่นแหละสรุปแล้วคือสู้ปัญญาไม่ได้อันนี้คงเหมือนกันหลวงพ่อก็บอกว่าให้วางสายไปนะทางเรียออ อ, อ, อ, อเออไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดินไปหากันพอบอกอัองกันเลย พระเขาก็ทำอย่างที่บานเนยโอ้มาเกือบครบนะจากนั้นท่านก็นลุกขึ้นมาเนี่ยเห็นพระย่างอยู่ในความส ง, งบสงบขู่เออพวกเราทุกๆองคงให้ตั้งใจภาวนานะการภาวนาเบื้องต้นเนี่ย เ, เราว่าในการบริกรรมเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากทางถ้าว่าใจของเรายังไม่มีหลักเนี่ยเราจะไปกำหนดแบบเลื่อนลอย น, น่โดยมากจะเป็นสัญญากระสังขารมากกว่ามันจะเลื่อนลอย แต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีฝึกหัดมาแล้วอันนั้นยังไงก็ได้แต่ผู้ที่ริเริ่มนั้นผู้ที่ริเริ่มใหม่ๆนะ่ะจะมากำหนดจิตทีเดียวหรือจะมาคิดเอาทีเดียวปรุงทีเดีย ว, ดยวโดยมากสัญญาสังขารมันจะวิ่งเข้ามามันจะไม่ไม่ใช่ปัญญาเสียแล้วอันนี้เราปฏิบัติมาแล้วเชื่อเราอ่าท่านว่างั้นเชื่อเราถ้าหาว่าภาวนาทาจิตให้สงบอยู่กับพุโทโธ เดินพูดโทนั่งพูดโทนอนพูดโทจิตใจมันค่อยๆว่ามันไม่หิวโหยออกไปข้างนอกมันไม่หิวโหยมันไม่มีมันไม่มีอารมณ์ที่เข้ามาแทรกจิตใจมันมันมันมันมันไม่มีอารมณ์ที่เข้ามาแทรกจิตใจมันหิวโหยจิตใจมีหลักพอมีหลักเข้ามาแล้วจิตใจมันอ่าไม่แสหาอารมณ์ทางนอกแล้วอจากนั้นก็นำมาพิจารณาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรก็ได้แยกแยะดูรัฐการร่างกาย อดินน้ำลมไฟในธาตุการพิจารณาถึงธาตุสีก็ได้พิจารณาถึงอสุภะก็ได้แหม่จะพิจารณาถึงอื อ, ง อ, อริยาสัจสีทุกอืสมุทัยนิโรธมรรคอริยาสัจสีก็ได้อที่พิจารณาถึงอืไตรลักษณ์นิจังทุกขังอนาัตตาก็ได้มันจะเป็นชิ้นเป็นอันมันจะมีกฎมีเกณฑ์พอจิตใจมันอิ่มแล้วมันไม่ใ ส, ส่แส แต่ถ้าหาว่าจิตใจของเรายัางยังส่แสอยู่แล้วให้กําหนดจิตหรือให้ไปกําหนดพพียรนายอย่างเดียวนั้นโดยมากมันจะเป็นสัญญากับสังขารมากกว่ามันจะไม่เกิดปัญญาพิจนาไปเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่ขาดเพราะเพราะสติของเราสมาธิของเรามันอ่อนเพราะนั้นเรื่องสมาธินี่จะมองข้ามไม่ได้อันนี้คือหลวงตาท่านพูดนะ ออแต่ถ้าว่าพูดอีกแบบหนึ่งเนียอันหลังให้กันวน่างั้นเถอะในเรื่องนี้อแต่ก็ไม่ว่ากันอไม่ว่ากันเพราะว่าเคยได้อย่างไรนะก็พูดอย่างนั้นอืก็เหมือนกับพวกเราเราท่านๆ่านเนี่ยเคยได้วิ ช, ชาในการเป็นหมอเป็นพยาบาลหรืออาชีพของเราเนี่ยเราก็บรรยายได้ว่าเราได้เงินมาอย่างไงแต่จะไปอธิบายให้ชาวนาฟังจะไปทํานาสิทําอย่างข้าเนี่ยอก็คงไม่ได้เพราะชาวนาเขาก็มีมีวิ ช, ชากัน อีกคะแนนหนึ่งเขาก็ทำทําอย่างนั้น อ, อย่างวิศวะเขาก็ทําอีกสรุปแล้วคือคือการได้เงินมาใช่ไหมการได้เงินมาเนี่ยใครจะได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือคือผลวัดกันแต่ถ้าว่าการหานี้ไม่รู้ใครจะหายัางไงอย่างครั้งในพระพุทธเจ้าการสาะแสวงหาธรรมเราจะต้องพิจารณากายซะก่อนอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ถูกทีเดียวพระในครั้งพระพุทธเจ้า ท่านให้ถูกศีลของภาษาเรีบุตรแท้แท้ท่านให้ไปภาวนาท่านก็สอนอสุภให้ให้พิจารณาสุภานะพอบวชเข้ามาท่านก็พิจารณาสุภาษกลับมาเป็นไงจิตใจไม่สงบจิตใจมันมันยังคิดมันยังฟุ้งซ่านอยู่กิเลสยังไม่สงบสอนให้อกีกท่านพิจารณาอย่างไงพิจารณากายพิจารณาแยกเยื่อเดียดหร่าหลังกายสังขานมีอะไรบ้างมีอาการสาสบสเกสาผมลกมา ขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อฮัลโเอ็นอัฐิคือกระดูกอัฐิมินชังเยอะในกระดูกมากหมุนหัวใจตับฟังผื่แจกส่วนแบ่งส่วนดูอาการ32เนี่ยถ้าแบกหยดแยกส่วนแบ่งส่วนดูอันไหนน่ารักใข่อันไหนน่าชอบใจให้ท่านเห็นเป็นอสุภะให้เป็นปฏิกูลจิตใจของเขาก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจะไปยึดถืออะไรในสิ่งเหล่านั้นจิตใจของท่านหลุดพ้นจากกิเลสไปไปเพื่รนา ไปพิจนาอีกพอภาวนาแล้วเจตใจไม่ได้เลือกกลับไปอีกครั้งที่ 3, สามภาษาริบบทเออันนี้คงจะไม่ใช่วิสัยของสาวกจะแล้วคงเป็น จ, จะเป็นวิสัยของพุท ธ, ธะดูสิขนาดภาษาริบบทอ克拉สาวกเป็นพระรหัสแท้ๆนะยังสอนไม่ได้เออบางองค์บางท่านนะท่านก็พาพระลูกศิษย์องค์นั้นไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ของข้าพระองค์พระเจ้าข้า ข้าพระองค์สอนอสุภะสอนกรรมฐานให้แล้วให้พิยนาแต่เขาก็ไม่ใช่เขาไม่ทำเขาทำครับผมแต่ว่าผลออกมาแล้วไม่ดีเท่าที่ควรเขาบอกว่าไม่สงบไม่ระ ง, งับพระเจ้าค่ะเอ้ยสาริบุตรอันนี้ไม่ใช่วิสัยของสาวกเป็นวิสัยของพุทธะจะได้สอนเขาเนี่แหละเราจะให้เขาสำเร็จพระหรหัสในวันนี้ตอนเย็นพระเจ้าค่ะ จากนั้นภาษาริบุปท่านไปก่อนไนดะ้จากนั้นภาษาริบุกลับพระพุทธญาติออกไปพอออกไปพุทธองค์ก็ิรมิตดอกบัวทองคําขึ้นมาความาดอกบัวทองคำแบบนั้นเถิดพอจับอมาให้ท่านไปพิจารณานะพอพระองค์นั้นเห็นดอกบัวทองคํำท่านั้นอนะ่ะมันซึมว๊าบเข้าสู่หัวใจอยู่ส่วนลึกเลยข่วงหัวใจเลยแบบนั้นเถิดเห็นดอกบัวนะอ่าโอ้ดอกบัวได้ทาไมสวยงามขนาดนี้ อ, อดอกบัวทองเลยทำไมมันดูแล้วมันทั้งสวยทั้งงามไอ้สีของมันก็ยดย้อยไปหมดเลยว่างั้นเลยคล้ายาอบอกท่านบอกให้ท่านเอาไปปักที่กองทรายหลังวัดแล้วนั่นท่านนั่งเพ่งพิจารณาอยู่ในที่สงบนะครับผมไป<ะ>เอาไปแค่นี้พาวนั่นกระลาพอกลาบได้เป็นดอกได้ดอกบัวไปดีกวา่ากองทรายขึ้นมากระเสียบดอกเร็จกันมากัะนั่งเพ่งดอกบัว ออดอกบัวในสวยสิ่งดอกบัวในสวยแค่เท่านันดอกบัวกับใจในเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันเห็นแล้วมันสวยจับใจเลยวันนั้นพอเพ่งไปเพ่งมาดอกบัวมันก่อนมันลักษณะเศร้าหมองเพราะดอกดอกบัวดิลามิตนี่ใช่ไหมแต่มันเข้าเศร้าหมองลงเศร้าหมองลงดำลงที่นนละน้อยละน้อยท่านก็เห็นโอ้ขนาดดอกบัวสวยขนานี้มันยังเศร้าหมองได้เป็นอเนจังท่านเห็นอเนจังอะไได้เสียหนึ เมื่อเห็นดอกบัวเป็นอนในจังท่างก็ยอดมาหาตัวท่านอีกร่างกายของเราก็เป็นอนในจังความคิดของเราก็เป็นอนในจังพอเห็นอนันในจังของไม่เทียงท่า น, นก็เข้าสู่กระแสพลันพ่านกไตรลักษณ์อะไรสิอันในจังทุกขังอนัตตาท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายเป็นพระรหันต์ในขณะที่นั่งเพ่งดอกบัวเป็นพระรหันต์จบในหมดกิเลสในช่วงนั้นเอ อ, อันนี้เราจะว่ากรรมฐานนี่เป็นยังไงใช่ไหมถูกกับจริตอะไรแต่ทําไมกรรมฐานภาษาลิบุตรสอนให้ท่านยังไม่ได้ แต่ทําไมองค์นี้ท่านจึงได้อย่างพระจุระบรรทกะก็เหมือนกันอืมแต่ก่อนท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกทําไมพระองค์นี้จึงพิจารณาสุภาจึงไม่ถูกกันท่านบอกว่าในอดีตชาติเขาเป็นนายช่างทองเป็นอาชีพเป็นช่างทองที่เขาทําอะไรประดิษฐ์ประ ด, ระดอยตีเออการขัดการอะไรให้ช่างทองเขาติดต่อกันมาเป็นช่างทองมาติดต่อกันมาถึงห้าร้อชาติเพราะนั้นอุปนิสัยของเขาเนี่ยยังติด เนื่องอยู่ในความสวยงามอยู่ตลอดเพราะนั้นต้องเอาความสวยงามมาแก้จะเอาสุภาพมาแก้เขาไม่ได้ความไม่สวยงามมันสวนทางกันกับเขาเพราะนั้นต้องเอาความสวยงามเข้าไปพ้อไปแล้วหักล้างกันทีหลังเนี่ยเนี่ยนี่แหละคือท่านสอนถึงทุกสิทย์ของภาษาลิบุตรจากนั้นก่อนปร ะ, ะจุลบรรทกะจุลบรรทกะก็เป็นล้านของเศรษฐีลูกไปแต่งงานกับคนใช้อะไรกันเลย ไปอยู่ในป่ากขาแล้วฝากลูกมาไว้กับพ่ อ, อ, อสองพี่น้องพี่พี่ชายใหญ่ก็บวชบวชเข้ามาเลยสาเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีปัญญาแต่ผู้ที่น้องเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วเรียนนโมก็ไม่จบเลยนโมตัสสะพระเขาว่าตัวนี้ไม่จบว่างั้นเถอเรียนสามบาทพระคาถาเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเ อ, อจนพี่ชายก็ท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งๆว่าโมโหมันก็ไม่ใช่แค่เขาบออสอนน้องอย่างนักหนว่างั้นเถอะ มันทำยังไงอมันทําไมยังไม่ตั้งอกตั้งใจศึกษาบวชมาในศาสนาของพุทธแท้ๆ เ, เป็นผู้รู้เป็นผู้เจริญด้วยสติปัญญาแต่ตัวเองทําไมมากินแล้วนอนก่อนและนินอย่างเนี้ยอไม่ขนขวายไม่ปฏิบัติท่ากว่าขนขหวยปฏิบัติแล้วจะไม่เป็นอย่างนี้เธอเนะี่ยแย่มากลักษณะนี้แต่น้องชายเขารู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงมันเรียนมันไม่ไมจําจริงๆศึกษาไม่จําจริงๆไม่ไปไม่มาจริงๆพี่ชายก็วันนั้นก็ ไอ้เนี่ยหมอชีวโกโกมาละพัดเนี่ยเข้ามาในมนฑลพระเนี่ยพระก็พี่ชายท่านก็เป็นเป็นผู้รับนิมนต์ใช่ไหมท่านก็แจกผ้าเนี่ยวะองค์นั้นไปองค์นั้นไปทันบ่อยจูระเนี่ยมันไม่ได้เรื่องไม่ต้องไปไปกินข้าวเขาเสียข้าวเขาเฉยเฉยไปกินข้าวก็เสียข้าวเขาเนี่องค์อื่นไปได้ไปหมดเนี่เป็นทั้งหมดเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์ยังเหลือจุพัตจูระองค์เดียวไม่ให้ไป พระโง่ไปทำไม응ทีนี้ก็โอ้โหจุดนี้จูระนี่เสียใจอย่างมากว่าพี่ชายแท้ๆหักหลังแล้ว่าไม่ให้ไปไม่ให้อันนั้นเลยศึกศ응ึกดีกว่าทีนี้พอตอนสว่างมาพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นอุปนิสัยของจูระบัญทกะจะได้สำเร็จเป็นพระหเอนท่านก็เดินแบบเดินออกไปนอกวัดแหละเมนันออกออกไปละพระพุทธเจ้าก่อน เดินออกไปไปคอยอยู่แถวแถวหน้าประตูวัดพระจูร่าก็เดินไปไปเจอผู้เทา่าเจ้าอ้าวจูร่าจะไปไหนโอ้ยพี่ชายเอดูให้กับผมกับผมเสียใจมากที่พี่ชายไม่ให้ไปฉันที่บ้านของเขาบอกว่ากับผมโง่เง่าเต่าตูนไม่มีปัญญาท่านไม่ให้ผมไปเพราะผมก็มีทางเดียวผมถึงยังไงผมก็จะไปตามอัตภาพคงจะไปลาศิษฐ์ขากับผม อ, อยู่ครับ คุณตาต่อไปอ้าวจูละเธอบวชมาเพื่ออุทิศเอมพี่ชายแล้วว่าอุทิศเราสถาคดอุทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอ้ยกับผมกับอุทิตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกับผมเออถ้าอยางนั้นไม่ต้องไปโยโอ้ยเหมือนกับต้นไม้ที่มันเหี่ยวเฉาพอยแล้วเอาน้ํารดอย่างนั้นเถอะเออใจชื้นขึ้นมาทันทีปามานีา่พระจูละ ท่านก็เดินตามหลังต่อยไปพอไปถึงพระพุทธเจ้าก็บอกข้าจุระนะท่านต้องเอาผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไปนะผ้าเช็ดหน้าสีขาวอย่างเงี้เอาเนีสีขาวไปแล้วให้เธอลูปนะฮัทโชหะนังฮัชังระติฮัทโชหนังอัชังระติโอ้ผ้าพผืนนี้ขาวดีนอง้าพผืนนี้ขาวดีน้อผภาพผืนนี้ขาวดีนองเออให้สติอยู่กับอยู่กับผ้าพผืนนี้อัทโชหะนังฮัทชังระติเอให้รูกอย่างนี้นะไปไปอยู่ ในท้ายหลังวัดหาที่สงบสงบนั่งแล้วกัะบริกรรมดูนะไปข้าไปภาวนาท่านก็นไปแล้วเอได้ผ้าพื้นนั่นไปหาที่สงบที่หลีกเลี่ยงจากหลังวัดนัง่งภาวนาท่านรูปรูปไปรูปมาผ้าพื้นนั้นรูปที่แรกมันก็ขาวใช่ไหมรูปไปรูปมาก็สีดําปีเข้าปีเข้าจนีนี่มันเห็นพอเห็นรูปเปลี่ยนผ้าแ้วมันก็สีดําเข้าไปท่านก็ ก็พระเจ้าประทานให้หผ้านี้สีขาวจริงแต่เดี๋ยวนี้ทําไมมันสีดำํำสกปรกโอ้โหทําไมร่างกายของเรานี่มันขนาดนี้เหรอมขนาดเราลูบอย่างเพียงแค่นี้เองมันก็สอบกรปกขึ้นมาหเห็นนะร่างกายของเราเต็มไปด้วยสกปรกจริงๆเป็นของอเนจังเป็นของอสุภะเออเป็นของปฏิกูลุนังนั้นท่านก็ง ว, งวิ่งเข้ามาหาใจของท่านใครเป็นคนยึดอสุภะใจของท่านก็เป็นอสุภะท่านก็เบื่อหน่ายใครหลุดพ้นเป็นพระรหันในขณะนั้นเลยพอในก็เป็นพระรหัน์ จบเป็นพระหารและแตกสารในปฏิสัมพิทายานอีกต่างหากได้ท่านี่จากนั้นพระทั้งหลายท่านกับไปฉันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์พอไปถึงบ้านหมอชีวกโกมารพัฒนพุทองค์บอกว่าเอา้าพวกเรามาครอบภรรยานี่ครบแล้วพระเจ้าค่ะยังยังอยู่องค์หนึ่งไปไปตามด้ให้หมอชีวกไปให้ลุกน้องชิไปตามหมอชีวกเอา้าไปตามพระในวัดพุทองค์บอกว่าพระยังเหลือยัง อ, อ, ยองค์หนึ่งไปตามเร็วอันนี้กั ทั้งวิง่งทั้งนั้นกับงจะไม่มีรถเก่งรถยนต์อย่างทุกวันนี้ใช่ไหมนี <Yeah. S 1> ่ผมวบบิ่งมาหาวัดเวลูวันพอมาถึงพอมาเห็นพระเต็มวัดไปหมดเลยใชไม่ใช่องค์เดียวเยต่างองค์ต่างปัดต่างกวาดบางองค์ยักซักผ้าเย็บผ้าให้ท่านท่านนิรมิตท่านนิรมิตให้เป็นพระห้าร้อยองค์อยู่ในวัดเลยอดอัตภาพท่านองค์เดียวแต่ท่านใช้อิทธิฤทธิ์นี่ใช่ไหมท่านคล้ายๆว่าใครว่าอยู่ละบรตริกาทองเว้าออ <laughs> ท่านก็แสดงฤทธิ์ขมาพระเต็มวัดเลยท่านนี่คนนั้นพอคนนั้นไปเห็นโอ้มันไม่ใช่พระองค์เดียวนี่วิ่งเลยแต่กลับไปอีกอ๋อไม่ใช่พระองค์เดียวพระเต็มวัดหมอชิวอบอกก็บอกโอ้พระเต็มวัดพระเจ้าค่ะคนเขาคนมาบอกเมื่อกี้เนะี่ยไม่ใช่พระองค์เดียวเออไปให้ไปบอกไปบอกอขอนมนพระจุลบันทกะนะอะไปบอกจุลบันทึกะมาไอ้นี่ก็วิ่งไปอีกพอไปถึง่ะ ขอในมูลท่านจุลบันทกะไปฉันที่บ้านหมอชีวกโกมารพัชครับผมนะเฮทั้งห้าร้อยองค์พูดพร้อมกันที่นี่อ้าวไม่รู้จะเอาองค์ไหนอีกทีนี่วิ่งกลับมาอีกมันไม่ใช่จุละทั้งหมดเนี่ยเพราะกันทีนี้ก็กลับมาอีกพูดองค์บอกเออนะไปบอกนะไปบอกว่ากับผมขอในมูลพระท่านจุลบันทกะไปฉันที่บ้านหมอชีวกชีวกโกมารพัชฮะ องไหนเหอะก่อนไปจับผ้าที่วอองไปจับผ้าสบงองค์นั้นเลยเหมนกันขอทิมนอง์นี้เหงือนันนะเอาอย่างงั้นแต่เดวไอ้นั้ น, นก็วิ่งไปไปก็พูดอย่างที่วานองจูละบันเดียการเออจะได้ไปจับนิมนต์องนี้นะ่ะี่มนต์ไปฉันเหมนพอที่จับองค์นั้นเลยนิลมิตของท่านก็หายว้าเป็นหมดเลยพระทั้งหมดหายท่านก็เดินไปแค่แค่ว่าท่านแสดงอิทธิฤทธิให้เห็นว่าไม่ใช่ธรรมดานะ <c oughs> เออจานั้นท่านก็ไปฉันไปฉันพระตาหาร พระอาจาาพุทธองค์ก็ให้จุลบรรจกกะเป็นผู้แสดงทำจากนั้นเขากลับมาพระสงค์ค่อ้ทำไมพระจุลบรรจกะหัวถือนักทั้งทำไมถึงมีนิสัยมรรคผลนิพพานถึงขนาดนี้มีอภินันหารมีบุญวาสนาใหญ่ถึงขนาดนี้ทำไมท่านจึงโง่เง่าเต่าตุนอย่างนั้นพุทธองค์บอกว่ากล้ามเก่าทั้งกรรมดีกรรมชั่วมาให้ผลคือกร้ามเก่าในอดีตชาติเั่นเคยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนา สาธานาของผู้ได้เจ้าก็ปะเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมอะไรท่องสาธยายจดจำได้ดีมากแต่ไปเห็นพระเพื่อนๆกันบางองค์ก็หัวถือใช่ไหมไปก็ได้ยินองค์หนึ่งพูดกรณียกุศเลนยันตังสั้นตังกุสเลนกุสเลนายันตังสั้นตั ง, ยต ง, ตงอยู่ยงหมนนทีนี้ก็ตอนเช้ามาก็เอาๆๆเอาเ อ, าอาที่ตัวเองได้ยินกลางคืนนะพอเห็นองค์หน้าวนั้นก็กุศเลนยันตังสั้นตังหัวเลาะลาเล่นเหน โออโหงั้นอไอ้ I, ง, งั้นเถอะไม่ท่องหนังสือเลยเอ่อเอาหมูเอาเอามาพูดในที่สาธารณะเอให้หมูพวกเพื่อนนี่หนึ่งจะแสดงว่ามันท่องหนังสือแย่มากลักษณะงั้นทําไมจะไปหาท่องทั้งคืนในกรณีกูเสดนายันตังยันสันตังอยู่อย่างงั้นงผลที่สุดก็เลยนั่นแหละบาปกรรมมันนั้นแหละ ง, งั้นเอเกิดมาพบใดชาติใดเป็นพลหัวทื่อธนะเลยจาอะไรไม่ได้เพราะนั้นคนที่ท่องหนังสือที่คนท่องไม่ดีอะไรไม่ดีพวกเราจะไป เอามาล้อเล่นเขาไม่ได้นะบาปกรรมตามสนองหรือวันพระจุละนะเออแต่นี้ท่านทำไมจึงได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์พระสงฆ์ถา ม, มาท่านบอกว่าสมัยหนึ่งท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอพระเจ้าเจ้าแผ่นดินได้รับพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ท่านก็แต่งองค์ส่งตัวทรงตัวอย่างเหมือนกับเทวดาจักจากชั้นฟ้าเหมือนกันเถอะออันไหนงามเอามาใส่ตัวของท่านหมดทีนี้ท่านก็นั่งคอยช้างเสด็จรอบพระนคร พอนั่งไปนั่งไปมันก็มันใส่ชุดใหญ่มันก็ต้องเหงื่อแตกเป็นของธรรมดาใช่ไหมเออเหงื่อมันก็ไหลออกมาทั้งฝุ่นทั้งอะไรติดหน้าท่านก็เอาผ้าเช็ดหน้าของท่านมาเช็ดพอเช็ดที่แรกก่อนที่ท่านจะไปนะั้นท่านมองแล้วมองอีกมองในกระจกท่านว่าท่านสวยงามมากว่างั้นเถอะผิวพรรณผ่องใสอะไรครบทุ่นบริบูรณ์แต่พอเสด็จรอบพระนครเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดทีเดียวนะดูผ้าเช็ดหน้าท่านดําปี๋เลยท่านโอ้โหร่างกายของคนเรานี่มันอัศวะขนาดนี้เหรอ อแต่เราดูบททีแรกของเราก็ว่าเราร่างกายสวยงามแต่บัทนี้ทําไมร่างกายของเราถึงย่าแย่ถึงขนาดนี้เอท่านเห็นอสุภะในผ้าเช็ดหน้าจิตใจขนเขา้าท่านเข้าสู่ความสงบฟัวฟาในชั่วขณะหนึ่งในขณะนั้นคือเห็นอันนีจังคือของว่าร่างกายอนี้มันมันเป็นอสุภะมันเป็นของไม่สวยงามนั่นแหละอุปนิสัยอันนั้นแหละยังติดตามมาถึงมาถึงครั้งนี้เอจิตใจเพียงว่าสงบเพียงข้างเดียวนั้นหเห็นอสุภะเห็น อสุภะเพียงครั้งเดียวอย่างลึกซึ้งในใจเท่านั้นเองเป็นอุปนิสัยพอเห็นนั้นท่านก็พระพองค์ยิงเอาผ้าเช็ดหน้าให้จะว่าให้รูปหัดโชว์ะหนังหัดชังหัตตเให้เข้าว่าเขามีอุปนิสัยในเห็นการเห็นอสุภะเห็นของสกปรกในตัวเองเนี่ยจากนั้นท่านก็ภาวนาได้สําเร็จเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วการปฏิบัติธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามีหลายๆอย่าง เ, เราจะว่าเพ่งอสุภะอย่างเดียวยุบหนอพองหนออย่างเดียวอะไรอย่างเดียว เป็นไปไม่ได้มันมีหลายๆทางอย่างพนางปัตตัยจาราก็เหมือนกันพนางปัตตัยจาราเนี่ยที่ไปแต่งงานกับคนใช้ในลูกคนที่หนึ่งคนที่สองสองคนอะ่ะพอเดินมาจะมาหาพ่อหัวสามีก็ตายในกลางเดินทางมาฝนตกกําลังจะคลอดลูกกลางคืนมาถึงกลางทางหัวก็เลยเข้าไปหากิ่งไม้มาเพื่อจะให้เมียคลอดลูก เข้าไปแล้วไปงูเห่าตอดใช่ไหมจมปวกพอตอดตายแล้วค่นางก็ได้ลูกแบบนั้นจะมีลูกน้อยอีกคนลูกที่สองคลอดออกมาผลตกทั้งคืนอีกความทุกข์ยากจะขนาดไหนใช้กำรรเหมือนกันเถอนางประตายจระพอคลอดเสร็จแล้วตอนเช้ามาเอ๊อก็เลยจูงแขนหลุดคนเล็กไปไปงไงพ่อของเจ้าอยู่ไปจะไปเห็นสามีนอนตายอยู่งูเห่ากันนางโอ้ตายในที่เปี่ยวเนาะทํายังไง จากนั้นมาเนก็นางก็จุงลูกคนเล็กคนที่สองก็อุ้มเพิ่งเกิดใหม่ๆอ่าพอเดินมาเห็นแม่น้ํามาเจนเลวดีฝนตกตั้งคืนเนี่ยน้ําก็เอือนางก็ไม่รู้ว่าเออเออเ้ําเนี่ยมันจะตื่นลึกขนาดไหนเพราะเป็นน้ำกว้างเนี่ยท่านก็เลยบอกให้ลูกอยู่ที่นี่นะแม่จะเอาแม่จะเอาลูกคนเล็กไปวางไว้นู่นก่อนก็บอกให้ลูกยืนอยู่นี่นะแค่อุ้มลูกไปเพราะลูกหาใบไม้มาลองลองเอาลูกที่เกิดไปใหม่เน่ะไปไปวางเอาไว้ ท่า น, นก็เดินกลับมาพอมาไอเหยี่ยวตัวใหญ่ๆใช่ไหมมันมามันก็เห็นชิ้นเนื้อมันเหมือนเป็นชิ้นแดงเด็กก็ะเดากระเดย า, ายังไงไอเหยี่ยวมันก็กลับมาจับมันก็บินไปทางเอนางปตยาจาราอยู่กลางคื่นน้ำตบว้าวยา่ยางก้าตบทางร้อไอลูกชายเขาคิดว่าแม่เรียกตัวเองใช่ไหมอยู่ฟังนี้วิ่งจ้ำๆลงไปจมลงไปน้ําน้ําก็พัดอกีกโดนไปหาลูกชายไม่รู้หายไปไหนจมลงในน้ําทางนี้ก็เหยี่ยวไปกินทางนี้ก็ ลูกตกน้ำตายไอ้ผัวก็ตายกลางคืนอีกแปลว่าความทุกข์ถึงความตายเนี่ยอย่างจุดๆแบบเดินแบบไม่มีสติกระสัดกระเสิงมาเลยทันเข้ามาเนี่ยมถึงมาเห็นคนคนหนึ่งเดินทางออกมาจากกรุงสาถีเพราะว่าไอ้เจ้ารู้จักตระกูลนั้นไหมอโอ้ยอย่าไปถามเขาเลยถามทำไมไมฉ่ฉันอยากจะถามดูว่าเป็นยังไงเขาเป็นยังไงโอ้อย่าถามเลยเมื่อคืนเนี่ย ฝนตกเมื่อคืนบ้านถล่มทับเศรษฐีก็าตายแม่ก็าตายพี่ชายลูกชายของเศรษฐีก็าตายพี่ชายก็คือใครก็คือคือพี่ชายของเขาเองคือพ่อของเขาแม่ของเขาเองแปลว่าวันนั้นนางอปตาจร า, าเนี่ยเจอความตายเข้ามาพร้อมๆกันอหกรายเลยว่างั้นเถอะทีนี้นางจะมีความรู้สึกยังไงให้เข้าหมดอะไรตายอยากในชีวิตของตัวเองเลยผ้าเสื้อผ้าในวนรนดุดลุยทิ้งไปหมดเลย เลือไปตามกรรมแต่ว่ากรรมดีของนางมีอยู่ก็เดินเข้าไปว่าไปเจอพรอพุทธ อ, องค์กําลังแสดงธรรมในวัดป่าเชตะวันอุบาสกอุบาสิกาเขาคนนั่งฟังร้อมรอบพอเห็นนางเดินเข้าไปแล้วอกอ้าอย่ามันไม่ให้มันมาอีกพี่บ้าไล่ไลไล่หนีแต่พุทธองค์รู้แล้วนี่เออคืออุบาสิกาคนนี้เี่ยจะเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้แข่งในวินัยเพราะเขาปรารถนามาดีแล้ว อันอสงไข่หนึ่งแล้วเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายของเขาแล้วเขาจะได้สําเร็จแล้นี่อีพิบ้าตัวนี้เออแต่ว่ากรรมของเขาให้ผลอย่างสุดๆข่าวนี้เล่นงานเขาอย่างสุดๆเบอกเอ้ยไป ไ, ปไปบอกมันมาเอออย่าให้มันไปบอกมาเนี่ยไม่เป็นไรบอกมาเข้ามาไปพวกท่านนี้ออกไปขยับออกไปอุบาสกคนหนึ่งฉลาดก็เลยเปื้องผ้าเต็มกระโยนให้ให้เขาไปเขาก็ได้ผ้าหนุนกระเปื่อนคนหนึ่งโยนนี่ได้ผ้าผมทั้งสองเขาก็เลยเข้ามาเข้ามาการาบพระพุทธองค์ บอกกับโอ้ยหมอ่อมฉันหมดที่พึ่งจริงๆพระเจ้าค่ะสามีก็ตายลูกสองคนก็ตายพ่อแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายนี่ฉันไม่รู้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยพระองค์บอกอยากคิดไปเลยปตาจา๋าละเกิดมาในโลกเนี่น้ําตาของเธอที่ร้องให้อยู่ที่เกิดมาคิดถึงคนอื่นร้องให้หาคนอื่นมากกว่าน้ําในมาหาสมุทรนี่เธอจะทํำยังไงให้อผลทางของเธอที่จะเดินนสั้นเข้ามาอีก ให้หมดกิเลสเร็วๆถ้าหาก ว, ว่าเธอยังเกิดไปในโลกอีกเธอจะต้องเจออย่างนี้อีกเออไม่รู้กี่พบกี่ชาติไม่มากก็ต้องน้อยไม่ต้องแผลใดก็ต้องแผลหนึ่งไม่ต้องเรื่องใดก็ต้องเรื่องหนึ่งเรื่องความทุกข์ยากลําบากบางทีก็พ่อแม่ล้มหายตายจากสา ح, มีพันญาลูกเต่าเลี้ยงอะไรไม่จะต้องเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นเธอจะไงจะทํำให้พ้นทุกข์โดยเร็วอย่าไปคิดเลยจากนั้นพูดองค์พระเทพในฝังพอเทพในฝั่ ง, น, งนางได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันในขนาดนั้นเลยเด้จากนั้นก็ขอบวช ผู้องค์ก็ส่งไปหานางโคตมีคือพระแม่ของพระพุทธเจ้าเป็นภิกษุณีแล้วไปบวชพอไปบวชเสร็จแล้วนางก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจพภาวนาวันหนึ่งเี่ยนางไปไปแบกเอาน้ําในท่าน้ําขึ้นมาใครเข้าไปใส่ตุ่มตามปกติคนสมัยนั้นก็คงจะไม่มีคงจะไม่มีกระป๋องที่อยู่นี่คงจะมีไ ห, วห้วก็ใส่บาสมานะตากน้กําไปใส่บาส ม, มาก็ววา ง, องพอวางเสร็จแล้ว ก่อนที่ท่านจะขึ้นกุฏิท่านก็ตักน้ําในตุ่มมาลาดเท้าของท่านพอลาดคนไทยปุบ๊บน้ําไหลไปชั่วระยะหนึ่งท่านเห็นน้ําตักมาอีกแล้าดตีพ่นยังตีนอย่าง ม, มันมันก็ไหลยาวไปอีกพอตักมาอีกหลายยาวอีกท่านก็เห็นเออชีวิตของคนเราคนลักษณะเดียวกันเกิดมาตายก็มีเกิดมากลางคนตายก็มีเกิดมาจนเท่าแก่ชราตายก็มีเหมือนกับเราลาดน้ําถึงสามครั้งอ่า อันนี้คือโลกวัตฏะสงสารนี่เป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดมาตายทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันน้ําที่เราลาดลงไปก็แห้งในสูนดินทั้งหมดท่านก็เห็นอันนี้จังอีกเหมือนกันเออเห็นอนนีจังวิ่งเข้ามาหาใจของท่านใจของท่านก็เป็นอนนีจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายในขณะนะั้นท่านสําเร็จเป็นพระรหันในขณะนั้นเห็น อ, นอันนี้จังเนี่อันนี้ถ้าจะพูดไปเรื่องการภาวนาและการปฏิบัติมีมากมายที่จะเปรียบเทียบนะ ไม่ใช่ว่าจะนั่งภาวนานั่งคิดอย่างเดียวหรือนั่งกําหนดกินอย่างเดียวแต่วิธีวิถีทางที่พวกเราจะปฏิบัตินั้นใครจะยึดตัวไหนเป็นหลักบางทีก็ต้องถ้าหากว่าคิดไปมันลอยพิจารณาไปมันลอยมันหาจุดจบจุดยืนไม่ได้เราก็ต้องย้อนมาหาสมาธิให้มันสงบซะก่อนพิจารณาทั้งสมาธิะก่อนเออเราทําอย่า ง, งานั้นคงไม่ได้มั้งถ้าคิดคิดไปเออเลยเฮยไปเรื่อยเดี๋ยวเป็นบ้าแน่นี่เออเพราไม่เกิดปัญญามันมีแต่สัญญาอารมณ์กับสังขารปรุงแต่งไปเลยเอันั้นก็ต้องเข้ามาหาสมาธิ เมื่อเข้าสมาสมาธิเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วนําไปพิจารณามันเป็นยังไงมันเป็นการเป็นงานไมมเป็นชิ้นเป็นอันไหมมันกระสุดแท้แต่ตัวของเราแต่ละคนจะพิจารณาว่าอะไรเป็นอะไรนะอันนี้คือแนวแถวความคิดของหลวงพ่ออินอให้พวกเรานําไปพิจารณาดูว่าเป็นยังไงเหมือ น, นนะออันนี้แนวความแถวความคิดอันนึงเหมือนกันเถอะแต่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่ออิน ทุกต้องทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นอย่ า, อ ย, าอย่าพูดอย่างนั้นนะอย่างภาพพระภิกษูองค์ท่านภาวนาไปทาีภาวนาจนท่านคิดว่าท่านจะต้องไปถามพระพุทธเจา้าพราภาวนาวไปมันติดขัดเหลือเกินพอไปไปถึงชายคาพระพุทธเจ้าอยู่ข้างบนฝนตกขึ้นยังไม่ได้ท่านก็ไปยืนอยู่ชายคาเวลาฝนตกจมมันเป็นฟองตับแตกตับจมตับแตกตับจมต เออท่านก็เห็นเอออันนี้อารมณ์ที่มากระทบใจใจมันรับอยู่อย่างเนี้ยเอใจอย่างนี้มันมันมันรับอย่างนี้เหมือนกับเหมือนกับนี่อารมณ์ที่มากระทบมันรับรับรู้แล้วกระดับไปรับรู้กระดับไปรับรู้กระดับไปแต่ว่าอาจารย์ว่านี่ท่านท่านยังเห็นอันนี้จังยังห่างอยู่นะจ๋อมตับไปแต่มาพี่นาดูใจของเราแล้วนะอันนี้จังอยู่ในใจของเราเหมือนเข็มจักเย็บผ้าอย่างนั้นนะเออสังขารอยู่ในใจของเรานี่ย มันเกิดขึ้นมันคิดดับอย่างนี้แหละถ้าเอาสติเอาสติเอาปัญญาจับดีๆนะอในความคิดของเรานมันมันเหมือนกระจัดเข็มจัดเย็บผ้าเลยมันไม่ใช่ตอมตับอย่างที่ท่านท่านองค์นั้นพูดนะแต่ท่านอ่ะองค์นั้นท่านจะพูดท่านท่านก็เห็นอันนี้จากของมื่อกี้จากนั้นท่านก็เออสิ่งทั้งหลายที่มากระทบใจมันเกิดขึ้นมาแล้วกระดับเอไม่มีอะไรแปกแตกต่างกันเนี่แหละ เออครอบเปรียบเทียบเออถ้าจะว่างนั่งฟังไปจะจากนี้ไปอีกก็ยัง ม, มีอีกเยอะแยะตัวอย่างอะไรเงี <c oughs> ้ยเออฮะเออแล้วพวกเราไปอยู่ป่านะะอยู่วัดนะเออพวกเราอยู่ปา่าอยู่วัดก็ให้ตั้งใจเวลากลางค่ำกลางคืนเวลาจะลุกไปที่ไหนที่ไหนก็สังเกตสังกาพอไปถึงเนี่ยเราก็ให้สังเกตเออเราไปอยู่กุฏิรังนี้ เนี่ยซาลาหลังนี้มันหันหน้าไปทางทิศไหนหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันต ก, ตกหรือทิศ ต, ตะวันออกทางทิศเหนือ e ทิศใต้อยู่ทางไหนให้เราสังเกตแล้วข้างโคติห้องเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีจอมปวกหรือเปล่ามีต้นไม้หรือเปล่ามีผุ่มไม้หรือเปล่ามีขอนไม้หรือเปล่ามีโขดหินหรือเปล่ามีก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่ยังไงเนีท่านว่าให้สังเกตพระภิกษุที่ที่จะไปอยู่ป่านะพอไปอยู่ท่านนั้นสังเกตดู แต่สมัยน้อนคนจะไม่มีไฟฉายแต่พวกเราทุกทุกวันนี้มันดีหน่อยมีไฟฉายนะเออพอมีแล้วเราก็ส่องไฟฉายดูได้ใช่ไหมแต่บางคนไม่เป็นกังวลกลัวไฟฉายกลัวผีอีกใช่ไหมกลัวฝีเห็นไฟฉายอีกใช่ไหมพอไปนั่งมีแต่กลัวก็กลัวกลัวเอ๊ะไม่ใช่มันไม่ใช่ผีเดินนั่งปวดหมูจริงนะฮู้เห็นผุ้มมาโอ้ไม่ใช่ผีแล้วมันแสดงอิทธิตทยังไงหัอเองเพราะนั้นท่านยังบอกว่าก่อนที่จะไปอยู่่ะเราต้องคิดดูวย เออตอนกลางวันเรามาเห็นอันนั้นเป็นขอนไม้นะตรงเนี้ยอันนั้นเป็นพุ่มไม้นะอันนั้นเป็นก้อนหินนะอะไรทางที่เราตื่นขึ้นมาโอ้ห้องน้ําอยู่ทางนู้นเราควรจะไปทางนู้นทางที่ตะวันออกอยทางนี้ตะวันตกทางนีน้ต้องเป็นผู้สังเกตไ อ, อ้อันนี้คือภิกษุผู้จะไปอยู่ป่าอันนี้คือเหมือนกันนะพวกเราไปอยู่ป่าแล้วก็ต้องคิดดูให้ดีพอไปถึงสถานที่แล้วเราจะเหมาะแก่การภาวนาะจากนั้นเราก็พิจารณาภาวนาอย่างเดียวเด็กกลางค่ำกลางคืนก็เหมือนกัน เวลาเสียงข้อปอกปอกปอกบางทีบางทีข้างคาวบ้างอตุ๊กแกบ้างจิ้งโจกบัา้งบางทีมันขาบได้ผลไม้มาพวกข่างคาวมันเสียงดังเนี่ยแต่เราเคยอยู่ในเมืองในกรุงมามันเสียงรถเสียงลาเสียงคู่เสียงคนเสียงอะไรวุ่นยุ่งเหิงวนวายไปหมดเลยถ้ามาอยู่ป่าเนี่ยเพียงใบไม้ลงหลง่นข้อแขกข้อแขกปอกยังได้ยินเนี่ยอยู่ในป่าเนี่ยเพราะมันสงบเนี่ยเออ ก็ได้ยินใบไม้หล่นล่วงลวงมาก็ว่าผีสิไนสิเนี่คนมาหาเรือเปล่าความขี้กลัวเนี่ยเอออะไรกับผีไปหมดใช่ไหมแต่ตาไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเ อ, อเพราะอะไรอย่า ง, งข่าวมันบินก็นได้ยินบางทีจริงจกตุ๊กแกมันได้คาบเหยือได้มันผีเชื่ออะไรได้แล้วมันมันฆ่า ก, ก่อนนะมันก่อนจะกินอะ่ะมันเคาะเป็นจังหวะจริงจเนี่ยเหมือนกับผีเคาะ ประตูอย่างงั้นแล้วงั้นเออเออนั่นแหละตอนนี้เราก็กลัวอยู่ข้างในที่ไหนได้เป็นตุ๊กแกข้ะเหยี่ยของมันว่างั้นเถอะเนี่ยกรรมฐานไม่ได้เรื่องอย่างงั้นนะทําท่าทําท่าจะออกมาทุกองกรรมฐานแต่พอไปเจอตุ๊กแกกินเหยี่ยงเท่านั้นก็กลัวแล้วงั้นเถอะออครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆท่านกลัวช่างกลัวเสือใช่ไหมเออ ทุกวันี้ขนาดตูกแก่ก็ยังกลัวหมดท่าไม่หมดหมดที่อันจะกลัวจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเราอย่า ก, กลัวนะตั้งใจภาวนาไม่ต้องกลัวอะไรดูใจของตนเองนั่นให้มันเกิดประโยชน์ไม่ต้องนึกเรื่องอะไรเรามาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันให้เป็นธรรมแ ท, ท้ๆในจิตในใจของเราเรื่องทางบ้านทางเรือนทางการทางงานเราตัดทิ้งหมดในขณะ น, นี้มีแต่ให้ภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ หรือเจะพิจารนาแบบที่หลวงพ่อให้คําแนะนําเมื่อกี้นะเนี่ยอาก็ไม่ว่ากันใช่ไหมเออเออให้แนวความคิดหลายๆอย่างหลากหลายเพราะงั้นเถอะเออกรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกว่าให้ภาวนาพุทธโธอย่างเดียวนะท่านก็ไม่ได้ว่าให้กรรมฐานสี่สบใช่ไหมยี่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติเทวตานุสติมรณะนุสติอาณาปานาุสติล้วนแล้วแต่อารมณ์ของกรรมฐานทางนั้นนะ่ะ ลากหลายเพราะงั้นเถอะแต่ผลที่สุดผลออกมามาได้ยังไงอได้ยังไงอย่างมึกคราวที่แล้วหลวงพ่อยังพูดนิทานอลิงรักษาป่านายอุทยานอยู่ป่า อ, อยู่ในเฝ้าสวนอุทยานพอเฝ้าสวนอุทยานแล้วลิงมันก็อยู่ในสวนกินผลละหมากลากไมก้ลิงก็คงจะเป็นอุหลังกุตังมั้งตัวใหญ่ๆไหมนะพระราชาท่านก็รักษาไว้ในสวน เรียงลายเป็นฝูงหนึ่งเหมือนกันแต่นั้นมาเรีงตัวนั้นก็นายอุทยานก็จะจะไปเล่นนักกษัตริย์เนี่ยออกฟรนสาเนยเดือน12เพนเนี่ใช่ไหมพระจันรเต็มดวงเนี่ยไปลอยกระทงกับเขาลูกน้องก็อยากจะไปด้วยทีนี่เอ๊ลูกพี่เอาอยัางไงใครก็อยากจะไปลอยกระทงทั้งหมดน่ะลูกเพียงอ่ะเรียกลิงมาให้มันทํางานให้ได้ไหมมันมันกิกนผลไม้อยู่ในี่พอแรงลรีงหมูเนี่ยมันก็ฉลาดอยู่เนี่ยมันก็รู้จักการรู้จักงานดีอยู่มัน่าจะใช้ได้น้า พวกเราไปทํางานก็เลยเรียกหวัหวหน้าลิงมาบอกสีเหมือนกันนะมึงมานี่เนี่เนี่ยวันอีกไม่กี่วันหนึ่งพวกกูจะไปเล่นนั ก, กษัตริย์อ่าไปลอยกระทงอ่ะเดินสิบสองเพนให้มึงเฝ้าสวนได้ไหมอ่เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มึงตักน้ํารดต้นไม้ของกูเนี่ยที่กูพาทำเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยให้มึงตักได้ไหมอา่พาพอมึงก็กินผลละหมากรากไหม อู่กับสวนเนี่ยพอแรงแล้วมึงรักษาท่นนี่ไม่ได้แลย้ยได้ไหมไอ้กูหลังกุตังกับตัวใหญ่ใช่ไหมมันก็มุมบกมุบมบกมมบกใจรับรับคำมันได้ไดเป็นวันนะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มึงต้องลดยังไงยังไงยังไง น, นนะมันก็รับคําจากนั้นก็มึงได้แล้วเอาเอาฝนั้นก็ไปแล้วหัวหน้าอุทยานก็ไปพอไปเสร็จแล้วกูจะไปเจ็ดวันนะบอกสักเรียบร้อยจากนั้นก็ลิงมงก็รับทราบ อจากผอหัวหน้าไปมันก็บอกลูกน้องมันเรียกลูกน้องมันมาเลี้ยงทั้งหมดเนี่เรามากินไม้ในสวนของเขาเดี๋ยวนี้ในอุทยานเขาก็มอบไม้ให้พวกเราลดต้นไม้พอให้นั้นพวกเราจงรักษาต้นไม้นะได้ไหมพวกลินอะไรก็ยินดีรับเหมือนกันผอหัวหน้าสั่ง เ, เอากระป๋องลดน้ําอย่างที่เขาทํานั่นแหละกระป๋องลดน้ำกระป๋อลิงมาตัวใหญ่เต็มันกับลดวันหนึ่งวันสอง หัวหน้างี้ชักไม่หมั่นใจก็เรียกลูกน้องไปเอ๊ะมาเนี่กูว่าเนีสู้รถน้ํามันจะถึงลากมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออต่างคนก็ต่างรถต่างตัวก็ต่างรถกูมไม่หมั่นใจว่าจะถึงลากมันหรือเปล่าเพราะนั้นกูว่าเนี่ยต้องถอนลากมันขึ้นมาสะกพอดต้นไหนลากสั้นต้นไหนลากยาว <laughs> เออหัวหน้านี่ฉลาดฉเฉลียวเหลือเกินเย่างเงีเ้เถอะ ถอนขึ้นมาจะ ก, ก่อนมันมันรู้เลยตัวไหนลากยาวว่าต้องลดน้ําให้มันมากตัวไหนลากสั้นก็ลดน้ําให้มันน้อยเข้าใจไหมไอพวกลูกน้องก็มุมอับมุมอับรับคำาจากนั้นก็ต่างตัวต่างถอนขึ้นมากระจุ่มใส่น้ําจะก่อนนี่ค่อยยัดลงไปอ่า <laughs> ทีนี้ทุกต้นทุกต้นจากนันก็ลดน้ำหน่อยสิมันลากยาวตัวไหนลากยาวใช่ไหมพอนี้สุดเจ็ดวันนายอุทยานมาถึงเป็นลมเลยช็อกเลยว่างั้นเถอะเห็นต้นไม้ตายหมดก็เรียกเฮมึงทําไมมึง ต้นไม้ทําไมตายไปมึงไม่ลดน้ำมันมันมันว่ามันลดอยู่เงนบยเออแต่ว่าคิดว่ามันกลัวมันจะไม่ถึงรากมันก็เลยถอนถอนรากขึ้นมาเจก่อนยังค่อยนั่นนี่ตายตายตายนายอุทยานโมดานี่โอ้ขานี่ใช้ลิงผิดแล้วเงั้ยใช้คนผิดประเภทใช้ลิงผิดประเภทใช่แล้วเออเรานี่มันโง่จริงๆรนี่แหละเออลิงมันก็บว่าลิงฉลาดเนี่ยเออมันก็ว่ามันฉลาดเราข้ออัรไปงั้นเถอะแต่ผลมันออกมาเป็นยังไงเออ ผลมันออกมาอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติการภาวนาะตัวเองมาฉลาดเหมือนกันเถอะคิดทฤษฎีดีมากแต่ว่าผลมันออกมาเป็นยังไงจิตใจมันลุ่มร้อนขูนมัวจิตใจไม่มีอไม่มีอัดมีทำในจิตใจจิตใจไม่ชมําระไม่ถอนไม่อันนั้นอนะ่ะอันนั้นคือผลของมันอันนี้ก็เหมือนกันนะใครจะภาวนายังไงก็ได้แต่ข้อสำคัญจิตใจหลุดพ้นหมดจากกิเลสเบื้องปลายตรง น, นั้นละ่ะเลิศประเสริฐที่สุดงงเหมือนกนเถอะอืมแต่ถ้าหากว่า จะบริกรรมอะไรก็เถอะอแต่ว่าจิตใจของเรายังไม่ชำละไม่ถอดไม่ถอ น, ถ อ, นอันนั้นก็ไม่ใช่กรรมฐานที่ดีนะสําหรับคนคนนั้นเหมือนกันนั่งอย่างพิจุนีสมัยท่านบวชเป็นคนภายคนแก่บวชเข้ามาท่านเดินยังกลกไม่ได้กลางคืนดันเดินเดินไปท่านเดินกอดต้นเสาเดินเห็นไอมกอดต้นเสาเดินเสากลางเดินพุโทโธพุโทโธให้มีจิท่านก็ยังได้สำเร็จเป็นพระหรหันต์เลยใช่ไหม บางคนเอยถ้าเดินโยกลมต้องเจ็ดเก้าบ้างเท่านั้นเก้าเท่านี้เก้าใช่ไหมเออต้องยุกน้อพองนออะไรก็ไม่ได้ว่ากันท่านกอดต้นเสาเดินโยกลม เ, เดินรอบกลางคืนพรเดินมืดถ้าไม่มีเทียนใช่ไหมเนีคนแก่เนี่ยเดินให้มีสติให้มีสติในการเดินจิตใจของท่านสงบเกิดความเบื่อหน่ายคายหลุดพ้นท่านก็เป็นพลทหาอในขณะที่กอดต้นเสาเดินนะเอาละพ อ, อละพูดมากก็มา ก, มากเดี๋ยวมันค้ำวะ่ะ เอาละครน้าอ น, นุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูราภิร